ไปเจอตอนนี้ดูหมดไปคำนหมดไปตามสมัยนิยมเลอะๆทึ่ๆอะไรี้ระเสียงู้กัดก่อนนะ มนหน่าเวลาเปิดฟังโอ้เสียงคื้นโนอยนโกการก้กา ร, ร, การพื้นเพของจิตใจทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเป็นสิ่งที่สกปร ก, กรกบุมรังด้วยเชื้อแห่งวัตตจักวัตตะวน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 การตายตายเกิดตายสูงคาดเท่าไรจรึงไม่มีความถูกต้องหาความถูกต้องไม่ได้จะคาดไปตั้งกับตั้งกันก็เช่นเดียวเรากับเราหารอยเท้าของสัตว์บนอากาศนั่นแหละเพราะไม่มีสัตว์ตัวใดจะไะเหยียบเป็นร่องรอยไว้ตามอากาศนอกจากตามพื้นที่ ที่สัตว์ควรเดินได้เท่านั้นจึงจะเห็นร่องรอยการคาดของจิตในเรื่องการเกิดการตายตลอดบาปบุญคุณโทษตั้งไหยเราจะไปคาดเกี่ยวกับสิ่งหยับหยาบอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ จิตเท่านั้นที่เป็นพื้นฐานอันเหมาะสมกับสิ่งรกลุมลังทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับทำเครื่องชะล้างสิ่งสกดิ์สิทธิรกลุมลังทั้งหลายหล่นให้สะอาดไปโดยลำดั บ, ดบจนกระทั่งถึงสะอาดเต็มที่ด้วยมีจิตเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมทั้งสองอย่าง เพราะฉะนั้นการพิสูจน์จึงต้องพิสูจน์ที่นี่เหตุที่เกิดขึ้นก็มีสาเหตุทันหนึ่งที่จะทำให้เหตุดีชั่วเกิดขึ้นภายในจิตใจสาเหตุอันนั้นก็คือเชื้อเดิมแล้วมาผิดเป็นอันดับที่สองที่สามให้คิดให้ปรุงให้แตกอันเป็นเรื่องของสิ่งลกรุงลังด้วยกัน ติดต่อนแหนงออกไปไม่มีประมาณแล้วผลสุดท้ายก็มารวมจยดที่เหตุอันเป็นที่ผิดอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่ผิดและเป็นที่รวมของสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายตามปกติของสามัญชนเราจะไม่มีทางรู้ได้และไม่มี ช่องทางที่จะพูดได้ด้วยว่าจิตนิสกร ก, รกระรบกุมรังกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่กล่าวนั้นพาทาให้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่มีช่องทางที่จะรู้ได้เพราะไม่มีเครื่องสองไม่มีเครื่องทดสอบนอกจากทาเท่านั้น เป็นเครื่องทดสอบโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจะพ่ออย่างยิ่งองค์ปัจจุบันของเราที่โลกทั้งหลายถือว่าสดสดร้อนร้อนเพราะต้องยึดการสถานที่ตามวิสัยของโลกซึ่งผิดกันกับธรรมในหลักธรรมชาติอันเป็นความจริงอยู่มากหลักธรรม อันเป็นความจริงนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่คำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นก็แยกออกมาพูดตามสมมติเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้ๆคือองาศาสดา ห, หรือองค์พระพุทธเจ้าแท้ น, นั้นพูดไม่ถูกแต่พูดปฏิบัติกําจัดกิเลสอันเป็นจริงสกรปรกหรือเมื่อมิตรภายในจิตใจให้กระจายตัวออกไปแล้ว ธรรมชาตินี้สามารถรู้ได้เองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้จะแต่และพระองค์จะปริพานนานไปจากเท่าไหร่ก็ต่างคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี้เห็นตถาคตหมดทุกองค์ไม่ต้องพูดเพียงตถาคตเพียงองค์เดียวคือศาสดาของเหล่านี้เลยเพราะตะถาคตทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันด้วยความบริสุทธิ์ด้วยหลักธรรมชาติอันนี้ หลักธรรมชาติอันนี้เราจะมาพูดว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็กลายเป็นโลกไปเสียว่าศูนย์สิ้นไปก็ไม่ใช่ฐานะของธรรมชาติอันนี้จะเป็นอย่างนั้นได้อยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละจิตที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นเช่หนั้นย่อมมาอยู่ในสมมุติว่าศูนย์ไปหรือมีอยู่แต่อยู่ตรงกลางน่ะ ตรงที่สมมุติไม่อยู่นั่นแหละหรือสมมุติไม่อาจเอื้อมสมมุติอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือองค์ศาสนาทั้งหลายอยู่ตรงนั้นผู้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็หมดจดอยู่ตรงนั้นดูที่ตรงนั้นด้วยเหตุนี้การพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายแบบสามัญทั่วไปนี้พิสูจน์จนกระทั่งวันตายขี่ ก, กับขี่ ก, กันก็เหมือนกับ เท่ดูรอยเท้าของสัตว์บนอากาศนั่นแหละหาความหมายไม่ได้เสียเวลาเวลาปเปล่าด้วยเหตุนี้งานที่จะให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่กล่าวมานี้จึงเป็นงานอันใหญ่โตและโหฐานยากลำบากหรือหนักยิ่งกว่างานอื่นใดบรรดาที่โลกทั้งหลายเคย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 ทั้งหลายนั้นคืออะไรอยู่สถานที่ใดนั้นต้องรวมลงในยิตะภาวนานี่แหละที่นีกเข้าในจุดที่ว่าสาสนาธรรมซึ่งเป็นเครื่องจะซากฟอกสิ่งสกปรกรบกุลังทั้งหลายภายในจิตใจนี้ออกด้วยวิริยะธรรม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 ปิดหวัวใจมาเป็นเวลานานหรือหนาแน่นเพียงไรก็รจะค่อยจางออกไปโดยลาดับลาดับเพราะอำนาจแห่งทำที่แทรกเข้าไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นสำคัญงานกิจกรรมนาจึงเป็นงานสาคัญมากเพราะเป็นงานที่จะให้ถึงจุดสุดยอดแห่งความจริงทั้งหลายทั่วโลกดินแดน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 อย่างเปิดเผยกับตัวเองที่เรียกว่าสันทิติโกงานนี้จึงเป็นงานใหญ่ใหญ่โตมากพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญดังที่เคยไ่าอธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วสละเป็นสละตายถวายทรงถวายชีวิตเพื่อความเป็นศาสจดาของโลกศาสจดาของพระองค์ แล้วก็กลายเป็นาศาสดาของโลกขึ้นมาจนถ้าจะเทียบถึงโลกกระถางก็เหมือนกับโลกกระถางหวั่นไหวเพราะไม่มีใครทําได้ดังพระองค์แต่พระองค์ทรงทําได้งานที่พระองค์ทรงทําคืองานเช่นไรงานที่จะรื้อภพรื้ชาติรือวัฏฏะสงสารวัฏจักรวัฏฏะวนออกจากพระไถ่นั้น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 และเรื่อยมาจากพระอาวาทคำอสอนของพระพุทธเจ้าจนมาถึงปัจจุบันนี้คือพวกเราทั้งหลายได้เทิดทูนหรือปฏิบัติพอมองเห็นเหตุเห็นผลเหมือนแสงหิ้ห้อยก็ยังดีอาที่นี้สรุปเข้ามาถึงงานที่พระองค์ประทานให้แกนักบวชคือพวกอย่างพวกเราเป็นต้น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 ของเราเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็มีจำนวนมากเกินกว่าที่เราจะนับอยู่แล้วท่านเหล่านี้คือท่านผู้ตักตวงอมัคผลนิพพานเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้พ้นจากลกวัตตะวนนี้ไปได้กลายเป็นวิวัตะจักวิวัตะิวัตตะจิตไม่หมงนแล้งานของท่าน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 งานจิจตภาวนาคำว่าจิจตภาวนานี้ก็เรียกว่าทํางานแต่งานที่จิจตภาวนาทำนั้นคืองานเช่นไรเบื้องตน้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนรับประทานมาจกนกระทั่งทุกวันนี้ให้อุปชายะได้อบรมสั่งสอนสัตถมุหายุผู้บวชในสํานักของตนโดยย่นยอ่อแล้วก่อนให้พอเหมาะสมกับการเวลาเช่นนั้นซึ่งมีน้อย ว่าเกษารลมานาขาทันตาตะจุเพียงเท่านั้นก่อนจากนั้นก็แจงไปถึงเรื่องอาการสามสิบสองตลอดตัวถึงทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟให้ขี่คลายขุดค้นดูสิ่งอันเป็นที่ซุมซ่อนของวัตจิตของวัตจัตกรได้แก่กิเลส มันแทรกสิงอยู่ทุกขุมขนแทรกสิงอยู่ทุกอวัยวะไม่ว่าส่วนยาบส่วนละเอียดแทรกสิงอยู่ในธาตุสีดินน้ำลมไฟก็คือเรียกว่ากองรูปตั้งแต่ผมขนในฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหมักหัวใจตับทางผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่แทรกไปหมดยิเล ยึดครองว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นส่วนอันในสะอาดอันในสโสโครกกิเลสไม่สนใจไม่หมุนพวงมาลายของกิตเข้าไปสู่จุดนั้นเพราะจะเป็น่าติึต่อตนคือกิเลสเองเสียเองจึงเมาเอาหมดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ส่วนยากกิเลสก็จับจองเอาไว้หมด ส่วนละเอียดเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทา ง, ทางร่างกายและจิตใจเวทนาก็จับจองไาหมดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์เฉยๆอะไรลวกไปหมดสัญญาสั้งขานวิญญาณนี่ส่วนละเอียดกิเลสแทรกไว้หมดกรรมเอานาจไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด หาเราที่ไหนมีเราอย่างแท้จริงเราแบบอิสระมีที่ไหนมีแต่เราของกิเลสทั้งนั้นเวลาจะปฏิบัติอัธรรมทั้งหลายกิเลสถือเอาเรานี้เป็นตัวประกันอยู่ข้างหน้าเสียเมื่อเราจะจอกอาวุธเข้าศาสตร์อาวุธเข้าไปสู่ตัวกิเลสก็ไปเจอแต่เราเสียคือกิเลสมันเอาขันตั้งห้าง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 เห็นผมก็ของเราขนของเราเล็บเราฟันหนังเนื้อเอก็กระดูกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราใช้สติปัญญาในเบื้องต้นใช้คำบริกรรมจะบริกรรมอะไรก็าตามเพื่อจิตจะได้มีความสงบยับยั้งตัวได้ไม่แสบสายเพราะเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจเร่รวนกระสับกระสาย จึงต้องทำจิตให้สงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วใจก็แน่วแนว่แล้วพิจารณาแยกแยะดูสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวนนี้นับตัง้งทีผิวหนังเข้าไปแยกแยะนี่เรียกว่างนานของทัพพิจารณาให้เห็นทั้งภายนอก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 นี่แหละคาว่าปล่อยวางก็หมายถึงว่าทำลายความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอันเป็นเรื่องของกิเลสปักเสียปอาไว้ถอนตัวออกมาด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงโดยลำดับลำดางานเหล่านี้จึงไม่ใช่งานเล็กน้อยผู้ปฏิบัติจึงต้องทำหน้าที่นี้ดูทุกเวลาไม่มีอิริยาบถ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 ปัญญาของตนแยกแยกคลี่คลายดูเห็นความหนาแน่นซึ่งตามธรรมหลักธรรมชาติแล้วตามความจริงแล้วมันไม่ได้หนาแน่นอะไรร่างกายหเห็นความแตกความพังทลายของมันอยู่ทุกระยะระยะความเปลี่ยนแปลงของมันแต่กิเลสมันไม่ยอมให้เห็นมันปักเสียบลึกลงถึงขั้นนิดจังอืขั้นซุกสุขขังแม้จะทุกข์เต็มตัวมันก็ว่าสุก ข, ขัง อนัตตาเต็มตัวมันก็ปักเสียบลงไปว่าเป็นอัตตาเป็นเราทั้งหมดนี้ล้วนแ้แต่สิ่งจอมปลอมที่แทรกสิ่งอยู่นี้สิ่งที่แทรกสิ่งอยู่นี้แหละคือภัยของจิตไม่ใช่สิ่งอื่นใดเป็นภัยของจิตเราจะไปมองดินฟ้าอากาศที่ไหนๆว่าเป็นภัยของจิตคือสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเป็นภัยของจิตผู้ปฏิบัติจริงต้องคุ้ยเขีย่ยวปุตค้นลงไปตามสิ่งที่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 ชติเจนตามหลักความจริงในส่วนใดเช่นรูปประขันความจำปลอมของกิเลสที่ยึดครองเอาไว้นั้นก็สลายตัวไปอย่างนั้นเหลือแต่ความจริงรูปประขันก็ทราบว่ารูปประขันตามหลักความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นความหนักนว่วงทวงจิตใจที่เคยเป็นมาก็ถอนตัวออกมาได้ขั้นเป็นขั้น นี่อ่ะงานของผู้จะรื้อพบรื้อชาติหรือวัะสงสารซึ่งเต็มอยู่ภาณจิตใจนีไม่มีอยู่ในที่อื่นใดต้องรื้อแบบนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประเภทหนึ่งของความจอมปลอมทำลายแล้วกำแพงอันหนาแน่นอันนี้ออกไปเหลือแต่สมบัติ ของกิเลประเภทหนึ่งอีกแต่ละอย่างละอย่างที่ละเอียดเข้าไปโดยลา ด, ดับที่มันปักเสียบไว้อย่างลึกๆจมอยู่ภายในจิตได้แก่พวกสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณนี่วะเราเร า, เราทั้งนั้นแยกแยะเห็นตามความจริงของมันมีแต่ความเกิดความดับทุกข์กเป็นเพียงทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้น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 ด้วยความแต่สภาพหาความยั่งยืนหรือหาความแน่ น, นอนของใจได้อย่างไรพิสูจน์เข้าไปด้วยสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาให้เห็นมันออกมาจากไหนทุกขวทนาทางกายอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายสุขเกิดขึ้นก็ไม่ไม่ใช่ มันเป็นเวทนาเหมือนกันอุเปขาเกิดขึ้นภานกายก็ไม่ใจกายมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปทั้งๆ้งที่ร่างกายยังไม่ดับสิ่งอันนี้มีการเกิดดับอยู่เสมอเช่นนั่งนานก็เกิดพอเปลี่ยนยาบทมันก็หายเนี่ยคือความเกิดความดับของหมันนีพูดถึงเวทนาทางกายเมื่อพูดถึงเวทนาทางกายแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเข้าสู่เวทนาทางกิ ภพราะจิตมีความกระเพื่มตัวออกมาสาคัญมั่นาหมายในสิ่งใดที่ขัดกับความต้องการของตนมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถูกกับความต้องการของตนก็แสดงความรื่นเริงอันเป็นความลืมเนื้อลืมตัวอยู่ภายในจิตออกมามันไม่ใช่ของดีมันเป็นของจําปลอมด้วยกันทั้งสองอย่างนี้นี่ถ้าปัญญาพิจารณาลงไปนะจะเห็นความจําปลอมมันมีอยู่รอบกิ ไม่ว่าจะเกิดทางสัญญาไม่ว่าจะเกิดทางเวทนาเกิดทางสังขารเกิดทางวิญญามันร่วนแหน่ตั้งแต่ของจอมปลอมทางนั้นเพราะเจ้าจอมปลอมเป็นผู้ผิดขึ้นมาให้ยึดให้ถือให้สำคัญมั่นหมายสติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปให้เห็นตามหลักความจริงอันนี้สิ่งอันนี้จะแจ้งชัดขึ้นภายในปัญญาของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเมื่อแจ้งชัด ตรงไหนแล้วกระจําเป็นอะไรจะต้องไปดูอีกคําว่าแจ้งชัดเต็มที่เลยแบบนั้นจะหาอะไรมาแทรกอีกได้อย่างไรเพราะเต็มที่ในขั้นนี้เต็มที่แล้วในขั้นนี้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเข้าไปดูลาดับที น, นี้เราจะหาบุญหาบาปที่ไหนที่นี่เมื่อไล่กันเข้าไปตะล่อมมันเข้าไปยิ่งเลทั้งมวลที่ จับจองตัวของเรานี้ให้หนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกได้ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญาเป็นสำคัญขาดว่าขาดตอนไปเป็นขั้นๆตอนตอนรู้ชัดประจักใจจนกระทั่งรวมตัวเข้าไปสู่จิตอันเป็นเชื้อเดิมฝังอยู่ภายในจิตนั้นเนื้อกระจายกํงกงนั้นอีก เพราะเป็นอิเลสประเภทเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าจอมกษัตริย์มันอยู่ตรงนั้นจอมกษัตริย์มาตาจับตัวเข้าไปอยู่นั้นถูกตัดสะพานเครื่องเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกหมดแล้วและเครื่องเชื่อมยงเชื่อมโยงกับขันต่างห้า น, นี้ก็ตัดเข้าไปหมดเหลือตั้งแต่ธรรมชาติของมันขอไม่พ้นสติปัญญาเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติเป็นอยางนั้นเป็นกิเลส จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนี่อ่ะมันหุ้มห่อเขาไปตรงนั้นเมื่อได้แยกแยะเห็นตามความจริงของมันและย่อมกระจายศูนย์หายไปแล้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นไม่มีเหลือนั่นแหะที่ท่านว่าท่านทำลายพบชาติพบชาติอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามาหาสมุทรที่ไหนการ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 เมื่อความจริงเต็มภูมิภาณในใจแล้วจะทราบไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าจะมีกี่พระองค์ประทับอยู่ตรงหน้านี้ก็าตามพูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาทเพราะสันทิฏิโกรพระองค์ไม่ทรงผูกขาดแม้แต่พระองค์เดียวไม่ว่าศาสตาองค์ใดสอนทำแบบเดียวกันเพื่อสันทิฏิโกแบบเดียวกันรู้จริงเห็นจริงภาณจิตนี้นี่แหละการรู้พบรู้ชาติ ด้วยงานอันสําคัญพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านตักตวงมะพรุนผ่านข้ามโลกธรรมสารไปอย่างอัศจรรย์ทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านทําไมกลายเป็นผู้วิเศษวิโสเด็กราบไหว้ท่านพวกเราเป็นยังไงท่านดําเนินงานอย่างไรงานชนิดใดที่ท่านทรงบําเพ็ญและบำเพ็ญบรรดาสาวกทั้งหลายจึงได้เป็นอย่างนั้น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 ที่จะกล้าไปเพื่อมหผลนิพพานยาเข้าใจว่าการสถานที่อื่นใดบุคคลใดเรื่องใดซึ่งอยู่ภายนอกจะมาทำการกีดขวางถ้าไม่ใช่ใจเป็นผู้ประชำคัญมั่นหมายแล้วกว้านเข้ามากีดขวางตัวเองเท่านั้นนี่นะการโน้นการนี้จริงเสมอภาคกันยิเลยเป็นประเภทเดียวกันทำเครื่อง ชำละหรือเครื่องปราบปรามรกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันคงเส้นคงวาคือมัชชิมาปฏิปทาไม่มีคำว่ายิ่งไม่มีคำว่าหย้อนไม่มีคำว่ากเกินไปเกินไปมีแต่ความเหมาะสมทั้งนั้นไม่ว่าจะนํามาปราบกิเลส ป, ประเภทใดทำเหล่านั้นเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัติจะตาแตกต่างกันอย่างไรกับข้างผู้จัการเพราะกิเลสก็มีประเภทเดียวกันทำเครื่องปราบกิเลสก็มีประเภทเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องปราบได้สิ้นสุดแห่งทุกยิ่งเลสที่หายไปได้ด้วยธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้ปราบยิเรสที่กล่าวมาเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เราเองโกงกันข้ามอย่าให้กิ่เลสมันปราบเราหนาทุกวันทุกอิริยาบถส่วนมากมีแต่กิ่เรสปราบเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกผนรอบอวัยวะสกุณกาย ขันตั้งห้าตลอดถึงจิตเต็มไปด้วยกิเลสที่จจับจองไว้หมดทั้งนั้นพราน้นจึงต้องคุ้ยเกี่ยวขุดคน้นหาอัตหาธรรมเข้ามาเป็นเครื่องต้านทานต่อสู้กันจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นความแพ้ความชนะกันจึงเรียกว่านักต่อสู้ถ้าลงได้ต่อสู้แล้วต้องมีคำว่าแพ้วัชนะจนไดน้และต่อไปก็มีคำว่าชนะชนะไอ้ชายชนะ อย่างสุดยอดทิ่เลียบหลุดลอยไปจากใจตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมีคําว่าการเข้ามาแทรกสิงจิตใจอีกแล้วสถานที่ไม่มีอาการิกาอาการิโกคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่การอาการิกรจิตอากาลิกาธรรมอยู่ที่ใจตรงเดียวนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เห็นตถาคตเห็นที่ตรงนี้ ไม่ถามใครให้เสียเวลาเวลาถามทำไมความจริงเป็นอย่างเดียวกันถามท่านก็ถามเรา ส, สิเพราะความจริงอันนี้กับความจริงอันนั้นเป็นอันเดียวกันเหมือนกันที่ท่านแจ้กว่าเหมือนก็เหมือนกันถ้าไม่เหมือนก็อันเดียว ก, กันเสียจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเวลามีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระหระหัสรหัสพ้นจากโลกแล้วเรียกว่าจิตบริสุทธ์ก็ถูกเรียกว่าจิตก็ถูก พอผ่านจากขันนี้ไปแล้วไม่มีคำว่าจิตถ้าจะเรียกก็ว่าทมล้วนๆนั่นทมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วละวิมุตติธรรมเมื่อถึงขั้นวิมุตติธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นประเสริฐเลิศเลอไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนสามแดนโลกฐานนี้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เด่นในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งหลายที่เราเคย จมอยู่ในนี้มาเป็นเวลานานได้เหนือแล้วด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่เหนือหนีไปนอกเมฆนอกหมอกไปอยู่อาวากาศที่ไหนเหนืออยู่ตรงที่พ้นแนวนี้ถ้าจะแยกก็แยกมาที่นี่เหมือนอย่างขันกับปิดนี่แต่ก่อนขันกับปิดอยู่ด้วยกันยึดถือกันหลงกันวุ่นกัน <c oughs> พอรูปรอบขอบคิดหมดแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแม้อยู่ด้วยกันก็พ้น อยู่ในขันก็พ้นขันอยู่ในขันก็สูงกว่าขันขันนี่ไม่สามารถจะเหยียบย่ำทำลายจิตที่บริสุทธินั้นได้แล้วเพราะขันอยู่ในฐานะแห่งความเป็นสมมุติจิตตวิสุทธินั้นอยู่ในฐานะแห่งความเป็นยมุติจิตอยู่ด้วยกันก็กระทบกระเทือนกันไม่ได้หรือทำทำลายจิตไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงกล้าพูด และเชื่อในประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงไว้แล้เขียนประวัติท่านว่าพระพุทธเจ้าก็ว่าพระสาวกบางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์ท่านนั่งนิพพานบางองค์ท่านนอนนิพพานตามความถนัดของท่านในวาระสุดท้ายแต่ละองค์เราเพราะเห็นไหลเพราะจิต เป็นวิสุทธิจิตแล้วท่านจะปล่อยขันในวาระสุดท้ายถานัดตามอัตยริสัยของท่านอย่างไรท่านก็ทำได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ขันอันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายวิสุทธิจิตของท่านนั้นให้เยงแม้แต่น้อยได้เลยนั่นขันก็เช่นเวทนาขันคนจะตายต้องมีทุกมาก <c oughs> ทุกมากก็มากอยู่ในขันไม่ได้มากอยู่ในจิต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 กวนกวายหริอลสัมละสายไหมไม่ต้องบอกอืเลยกลายเป็นจิตเวทนาขึ้นมาอีกทุกเวทนาภายในจิตอีกทีหนึ่งจากสาเหตุแห่งร่างกายเป็นทุกข์เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นทุกข์ใจ ก, ก็เป็นทุกข์ขวกวนวาไปด้วยอืเวลาแยกกันเต็มสัดเต็มส่วนไม่คล้าคร้าวกันแล้ว ท, ทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันย่อมทราบได้ทราบได้ชัดว่านั่นคือทุกขเวทนาภายในร่างกายเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้น รู้เวทนาในจิตไม่มีมีได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานนะที่จะนับเวทนาไว้ในจิตที่บริสุทธิ์นั้นได้นั่นเป็นหลักธรรมชาตินี่เอาให้รู้ที่นักปฏิบัติงานนี้เป็นงานอย่างเองกหนักก็หนักเถอะหนักเพื่อพ้นภพพ้นชาติพ้นแหล่งแห่งมรรคสงสารอันเต็มเปด้วยกองทุกข์ทรมานทั้งหลาย เราเคยเกิดเคยตายมาแล้วไม่ควรสงสัยจิตดวงนี้แหละตัวที่ถูกหมอบราบหลักกิเลสให้พาขยี่ขายาตำตําให้แหลกอยู่ตลอดมาด้วยความทุกข์ความทรมานแต่ไม่คิดหายคือจิตดวงนี้เอากระจายออกสิ่งใดที่เป็นข้าศิกต่อจิตใจเอาให้หมดสิ้นไปแล้วแดนของความประเสริเราไม่ต้องถามใครแหละจะรู้ตรงนั้นที่ไม่ประเสริฐก็เพราะ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 วิเศษของจิตเห็นความพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลแล้วความเปลี่ยนท่างหลาเราทุ่มได้ทั้งนั้นผู้มีเหตุผลแล้วต้องทุ่มกันลงได้นอกจากให้กิเลสเป็นตัวเหตุผลเสียอย่างเดียวจะไม่มีเวลาทำอะไรได้เลยเดินจงกรมชั่วขณะก็จะตายบังคับจิตใจเล็กๆน้อยๆพอกิเลสมันตื่นนอนเท่านั้น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 เพราะวิเวลาแห่งความฉลาดสติปัญญาของเราไม่เพียงพอที่จะทราบมันได้ต่อเมื่อทำเหล่านี้ฉายแสงออกมาเราจะทราบฮทราบไปทุกระยะระยะจนกระทั่งปราบให้เรียบวุดพภายในจิตใจเอาวที่นี่กิเลสมันออกจากจิตใจเราแล้ ว, ลวมันอยู่ในใจของสัตว์โลกอยู่ในเกาะใจของสัตว์ของบุคคลใดก็ตามแสดงออกมาอนไรรู้หมดปิดไม่อยู่ที่นี่ เอาหัวใจเราไม่มีมันอยู่กับหัวใจใดมันแสดงออกมาในจิริยาท่าทางใดเป็นยีรเด็กประเภทใดรู้หมดพอเรียนมันจบแล้วทำไมจะไม่รู้มันไปถามที่ไหนเพราะมันเคยกอมอยู่พระ น, นจเราแล้วถูกกาจัดมันให้ราบเรียบประจักษ์นี้แล้วทาไมจะไม่รู้นั่นเมื่อ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 ในเรื่องของสมูทให้พึงทราบว่าวเป็นแง่ที่เป็นตาข่ายที่เคยครอบหัวเรามาแล้วเป็นเวลานานอย่าเสียดายความคิดทั้งหลายอย่าเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายวัตจกักรทําให้เสียนายธรรมาจักรนั้นสาคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยเคยผ่านมาแล้วยังเสียดายมันไม่ถอยวิเลศไม่เคยอิ่มพอกับความคิดนึกปรุงแต่งใดใดทั้งสิ้นไม่เคยอิ่มพอกับความโลภความโกรธความหลงราคาตันหาไม่เคยอิ่มพอ ให้ทราบเสียว่ามีไม่มีความคําว่าเมืองอิ่มพออยู่กับยิเลศนอกจากทำเท่านั้นทำนี่เมื่อเข้ามากได้มากเข้าละลาแล้วก็มีความจุกความเ อ, อิบอิ่มเข้าไปโดยลําดําดับจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวแล้วอิ่มเต็มตัวนั่นต่างไปยิเลศพาคนให้อิ่มที่ไหนทำรรพาผู้เข้าถึงเต็มภูมิแล้วอิ่มเต็มที่อิ่มเต็มภูมิ ไม่มีเวลาบกพร่งตลอดการไหนๆเอาความเพียนเราที่ทุ่นลงไปด้วยความเสียสละเป็นตานี้ทําไมจะไม่คุ้มค่ากันกับธรรมเหล่านั้นเล่าธรรมเหล่านั้นทําไมจะไม่คุ้มค่ากับความเพียนของเราเล่าเราเสียดายอะไรเรื่องความทุกข์ความลําบากซึ่งเคยเป็นมาแล้วอันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็ยอมทูกมีอยู่มากมายนี่เกิดประโยชน์จากความทุกประเภทนี้ทําไมเราไม่กล้าเสียสละเราเป็นลูกศิทธิฐานโคตรข้าองค์หนึ่ง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 ให้กินให้จังนักปฏิบัติไม่เห็นแดนใดที่จะเป็นที่แน่ใจนอกจากแดนแห่งธรรมนี่แหละสาระของใจคู่คว ร, รของใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งของใจก็คือธรรมสร้างกุศลธรรมคือความสลาดให้พอบุญบุญคำว่าความสุขความสบายพาในจิตใจนี้จะ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 สุขอื่นจะให้เหมือนนี่ไม่ได้สุขนี้จะให้เหมือนใครก็ไม่ได้สุขนี้ให้เป็นเวทนาก็ไม่ได้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในระดับธรรมะที่จะหน่อยก็ติดติดสุันี้เสียเลื่มสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราจะพึงได้พึงถึงนั่นเสียนี่พากันพินิจพิจรารณาการปฏิบัติตัวของเหล่านี้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 ให้หมดสิ้นไปโดยลําดับจนราบเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้ ว, ลวอยู่ไหนอยู่เธอะดังที่กล่าวมาแล้วว่าการสถานที่ไ ม, ม่มีแม้ขันมีอยู่ก็ไม่เป็นทุกทุกกระทุกอยู่ในขันก็รู้มันอยู่แล้วว่มามันเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างตื่นเต้นมันอะไรโศกเศร้าข้หงหัวกับมันไปทําไมมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเยียวยารักษากันไปตามการตามเวลาตามกําลัง ของธาตุของขันที่มันจะพอเป็นไปได้เมื่อมันถึงการแล้วมันทนไม่ไหวแล้วปล่อยทิ้งสลัดลงไปเลยอ น, นาคตยูหาความเจได้ไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่ยังไม่ตายก็หมดความอะไรอยู่แล้วด้วยความยึดถือนั้นไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบโดยฐานเดียวกับสรรธาตยานที่เคยเป็นความรับผิดชอบตัวเองแต่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบด้วยการยึดมั่นถือมั่น ถึงการแล้วปล่อยหายกังวลสักทีม่ว่าเสักทีหละอยหายกังวลไปเลยฮาราฮเวมันจากขั้นฐานมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกภูเขานั้นเราไม่ได้ไปแบกเอาอะไรมาหนักอันนี้มันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกนั่งแบกยืนแบกเดินแบกนอนไม่มีเวลาตรงกันได้เลย หนักอยู่ด้วยเอียบุตรต่างๆนั่นแหละจนกระทั่งมันหมดไปเสียต่อยทิ้งเสียแล้วก็หมดภาระไอ้เรื่องเศษของส ม, มุดก็มาจุเป็นจุดจุดท้ายคือขันสลายตัวลงไปเศษแห่งส ม, มุรมันติดอยู่ในขันขันก็ปิดมันอยู่ด้วยกันจึงเรียกว่าเศษแห่งส ม, มุรคำไมจึงว่าเศษแห่งส ม, มุรก็มายึดถือมันนี่มาอาศัยกันอยู่จะทาไง ปฏิบัติรักษากันไปพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายช้าล้าเงินไปอย่างนั้นจนถึงว่าราสุดท้ายก็ปล่อยไปไม่รอดแล้วก็อยู่เสียออืสมบัติของดินเป็นดินเป็นของน้าเป็นน้าของลมของลมเป็นลมของไยเป็นไฟสมบัติที่บริสุทธิ์แท้เป็นของเราไม่ต้องแบกอันนี้ไม่เหมือนทาพระาชาวีแหละแ บ, บกขยะขรรมหมากอะไร ดูตัวของเรานั่นแหละตัวก็คือหมดทั้งร่างกายความเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวออกมาทางวาจาซอมมาจากใจใจมีสติปัญญารักษาตัวมากน้อยอย่างไรดูตรงนั้นเป็นสำคัญหัวมาปฏิบัติสำเนียกศึกษาให้ถึงใจทําอะไรให้มีความจงใจอย่าทํา ล, ละเหล่เลยแหละสักแต่ว่าทําใช่ไม่ได้ ไม่ใช่ทางของนัก บ, บวชไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีความจริงจังทุกอย่างทั้งการละทั้งการมาเพลินหน้าที่การงานกิ จ, จวัตรต่างๆให้ถือว่าเป็นสมบัติของตนทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าผู้นั้นทำแล้วจะแล้วเราผู้นั้นทำแล้วเป็นของผู้นั้นเราโง่เราก็ไม่ได้อะไรโง่ต่อควาวัดปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนรวมแล้วยังไม่แล้วยังมาโง่ต่อความเปี่ยนของตนอีกถ้าคนเคยโง่ต้องโง่ไปเรืยคนเคยเสียเปียบต้องเสียไปด้วยไม่ว่าจะเสียเปรียบทางข้อวัดปฏิบัติที่ไม่เด็ไม่ทันเขาบุญง่ายยังมาเสียเปรียบทางนักจิตใจของตนอีกนี่ไม่ใช่ของดีคนที่ได้มักได้ผลอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมเสียเปรียบกิเลสแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในย่อมสมบูรณ์เต็มภูมิแค่เดียวกันมีความคล่องแคล่วแวกล้าว่องไว ทั้งภายนอกภายในทันเหตุทันการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นชื่อว่าสติปัญญานั่นแลเป็นเครื่องจะปราบกิเลสพันธะของตนให้ราบเรียบลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นให้พากันตั้งอกตั้งใจผู้มาใหม่มากก่าวผมยังไม่ได้พิจิตใช้ค่คยควรว่าจะให้อยู่ให้ไปเป็นเพียงว่าให้อยู่ด้วยเพื่อการอารมเพราะเห็นใจที่มาจากที่ทตา่างๆมากบ้างกา็ทนเอา สลักลงพันธกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีอะไรจะเลิศยิ่งกว่าใจแล้วเอาให้ได้ใจเวลานี่ถูกกิเลสมันถือกรรมสิทธิ์เยียบย่ําทําลายอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่เพียงถือกรรมสิทธิ์เฉยจิตนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ชิบชิบหายแล้วเลยผุยผงไปอีกกี่ร้อยกี่พันเลยก็ไม่รู้แต่นี้มันก็ทนทาน ถูกเยบย่ยทำทําลายแทนที่จะชิบหายก็ไามา่ชิบหายแต่ทนกับทนทุกข์เอะทีนี้เอาทุกข์ด้วยความเพียรแทนทุกข์ด้วยกิเลสเหยียบย่ล่านั้นทุกข์ด้วยความเพียรคือการต่อสู้อ่ะทุกข์คาดขนาดไหนคราวนี้เอาทุกข์แบบนี้ทําได้เห็นเรื่องของกิเลสทังทลายลงไปจากจิตยาได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงในศัพท์กิจคุณของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าท่านไหลุดพ้นจากกิเลสอยู่ที่นั่นที่นี่ประเสริฐเลิศเลย เราเองจมอยู่ในปรักคือกองที่เลสเต็มไปด้ยวยความขี้เกียจที่ข้านมันเข้ากันได้อย่างไรให้มาได้ยินข่าวแล้วด้วด้วยทั้งเหตุคือการประพฤติปฏิบัติคาําจัดที่เด็กเอาจริงเอาจั ง, จงสมกับจุ่มนักต่อสู้ไม่มีใครที่จะกดทนมีความภากเพียรมีความเขว้ควันพิรุณปัญญายิ่งกว่านักบวชเพราะนักบวชนี้สอนต น, นแล้วจึงไปสอนคนอื่นดังศาสดาของเรา เราทำอะไรไม่ได้ไปสอน ค, นคนอื่นให้เป็นประโยชน์อะไรจะเอาความเฉลียวฉลาดไปอะไรไปสอนเขาเพอให้ถึงใจถ้าไม่ถึงใจเราก่อนแล้วไปสอนคนอื่นก็ไม่ถึงถ้าถึงใจแล้วแล้วเอาความถึงใจนี้ออกสอนทาไมจะไม่ถึงวะทําเป็นของกริงด้วนมาแ ต, น แ, ตนแต่ไหนแต่ไรแล้วออืรู้สึกเหนื่อยอะพอสูว้ว่อ